เดี๋ยวเองมายังนใจลัวทีชีวิตลตยจ้ไปส่ ส, ว, ว, ส ว, วันนี้เฟันเคสดีก็เก้าี้อนเก้าสิ9เ7 เลิกคุ้จักวัดครั้งแรกเมื่อปรสองห้าสาแปดโดยวิหลานสาเป็นกระยิญามิตรชักชวนสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวครั้งแรกที่ลูกทราบข่าวลูกก็ขอลปีติยินดีสร้างองค์พระรรทันทีหนึ่งองค์<า>แล้วจากวันนั้นมาลูกก็เริ่มรู้จักหลวงพ่อและหมู่คณะเมื่อจริงได้เห็นคนบ ประพฤติปฏิบัติทำอย่างมีระบบระเบียบเป็นเรือนแสนในงานบุญใหญ่ๆ ห, ห, หลายๆงานโลกยิ่งศรัทธาและเชื่อมั่นในบุญบารมีและการสร้างบารมีของหมู่คณะเจ้ค่ะตอนนี้โลกก็เป็นนักเรียนบาลฝันในฝันวิญาณผ่านจานดาวธรรมโดยมีหลานสาชักชวนให้ติดตั้งผู้ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมค่ะตัวโลก เป็นคนจังหวัดกาลสินครอบค ร, รองเราประกรอบอาชีพค้าขายไข่ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่ลูกลสามีมีบุตรหมดห้าคนแต่บุตรชายก็ได้เสียอายุสั้นค่ะเขาจมน้ําตายเมื่อพอศ ส, สองห้าสองหนึ่งพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนสําหรับภสาคนโตของลูกเป็นคนดีของพ่อและแม่มาก ชอบสมบูรณ์ทุบุญอย่างเต็มที่ตามประเพณีเช่นสร้างโบสถ์ถวากษัรเป็นกระสอบกระสอบกบับวาดแถวบ้านสาธุาชอบสมบูรณ์สังคมสงเคราะชอบซื้อลงศพบริจาคโดยเฉพาะกับมูลนิธิปอเต็กตึ้งเป็นต้นสงเคราะห์คนที่ตายแล้วเนาะเปล่าซากเปล่าซากแต่ครูไปใ ห, ใหญ่ชอบสงเคราะห์คนเป็นอ คุยก็รู้เรื่องนม่นช่นี้ลูกษายังไป็นลูกที่มีความกระตันยูกระตะเวทีมากเขาได้ mm hmm. ขอร้องให้ลูกเลิกอาชีพค้าขายใหอยู่บ้านเฉยๆ โ, โดยตัวเขาจะออกขยจนาใจในทุกเรื่องของพ่อและแม่เองโดยไม่ให้ตกหล่นเลยโอ้สุดยอดลูกกระตันยูเลยวันลูกสาวยัแต่งงานมีครอบครัวแล้วเราจะจะค้าขายไขยแล้วอืม จนกระทั้งหน้าเป็นลูกไข่ไ <c> ข <oughs> ่เป็ดหรือไข่ไก่กนะ็ไม่รู้นเขาจะเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทแห่งหนึ่งประกันชีวิตดีทต้องทานศีลภาวนามาชีวิตในประโลกนั้นปิดอบายไปสวรรค์เกิดใหม่ก็มีสุขรวยสวยฉลาดสมรรถนาทีเดียวประกันชีวิต ได้ทานได้ศีลภาวนาชัวชัวรภาพเลยนี่นะจ๊ะด้วความที่ลูกษาวเป็นคนเกง่งช่างเจรจาพูดจะอ่อนน้อมขอหาผลลปพธใหญ่เก่งและขยันจึงไา้มียอดขายสูงอยู่ในระดับหัวหน้าหน่อยใ น, น, นะเดียวกันลูกษาวก็ประกอบอาชีพเสริมคือการขาย ขายเครื่องสาอางขายหวยถูกต้องจะโอโหสุดยอดเลยการขายหวยใต้ดินไปด้วยบางคนซื้อหวยจนหมดตัวเลยเปลี่ยนจะพูดเล่นหวยมาเป็นผู้ขายแต่ก็ไม่ได้จะขายหวยนะคะเป็นการเรก ข, ขายความจนตราขายหวยใต้ดินนี่เอง ลูกสาวจึงถูกตำรวจจับแล้วนั่นเขาจิงเปลี่ยนอาชีพจะขายหวยมาขายของหว ย, ชวยโชหวยโชหวยถูกต้องจ้ะเ <c oughs> ออเก่งจริงจริงจะขายหวยมาขายหวย <c oughs> แต่ว่าเป็นโชวหวย <c oughs> ก็แบบขายส่งซึ่งค้าขายดีมากมากิจการดีขึ้นเรื่อยๆโชนี่ก็จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองต่อมาจึงได้เปลี่ยนกิจการมาประกอบธุรกิจหนักเขา้นอีกเปิด ลงกลั่นเล่าขาวแต่เพียงหนึ่งเดือนกว่าเท่านั้นเองลูกยังจำได้ดีในวันที่สองธันวาคมสองห้าสี่เจ็ดเวลาห้าโมงเย็นมีคนมาบอกลูกว่ามีผู้ชายสามคนขับรถปิ๊กอัพสีขาวมาหาลูกสาวของลูกแล้วก็ได้มาคับลูกสาวกับเลขาลงมาจากรถของลูกสาวจากนั้นก็เกิดการทะเลกันอย่างรุนแรง ผู้ชายสามคนนั้นกระดิ่นนำตัวลูกสาวและเลขาขึ้นรถปิกอัพสีขาวคันนั้นแล้วก็ขับหายไปเลยลูกก็เลยไปแจ้งความกับสถานีตารวจแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าโอ้โอทำไมไปค้าเล่าอย่างนี้เนอะไอปีไหนที่เราเชินก็เทีเล่าห้าสี่หครับี่หประมาณสี่หกนะ เราหวงงัจะได้เลิกปิดปิดโรงงานสุราร์กันไปเลยเราจะยังคลายแคลนตัวอย่างดีๆให้ดูโดยเฉพาะเด็กเกิดมาใหม่ก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่จะมีต้นแบบดีๆให้ดูเขาจะได้เดินตามแบบได้แต่ต้นแบบเละเทมก็เละกันไปหมดต่างก็โทษซึ่งกันและกันพระยาเ ก, ก็บอกเด็กเดี๋ยวนี้ว่าอยากดื้อสอนอยากเด็กก็สันตาแป๊วแปก็ไม่รู้จะเอาใคร เป็นตัวอย่างก็เห็นผู้ใหญ่ทากันนึกว่าดีก็เขาตา ก, ก็เลยเอามอั่งแต่ว่าต้องมีต้นบุญต้นแบบที่ดีของโลกเห็นไหมจ๊ะถ้าไม่มีมันก็ำนทำานนชีวิต ผ, ผิดพลาดไปดูท่านผู้คอยใจเดิมตอนจากเด็กมาจากผู้ใหญ่ั้งนั้นแหละแกก็ต้องแก้หมดเลยทั้งระบบไปเลย ถึงจะถูกหลักวิชาบางอย่างก็จะเป็นอย่างนี้โลกก็จะเป็นต้องมีสหานและตำรวจแต่ก็ต้องมีเพระะเหตุนี่แหละเรไปแจ้งความกับสถานีตำรวจแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเรพยายามสาะหาข่าวคราวลูกสาวทุกวันแต่ว่าใครจะแนะนําให้ลูกทําบญแบบไหนแก้เคล็ดโดยวิธีใดลูกล้วนไปทุกที่เพราะลูกต้องการที่พึ่งเจ้าค่าจะจนกระทั่งลูกได้มีโอกาส ศ, ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมผ่านทางดีเอ็นซ ทำให้ลูกได้เห็นว่าผู้ที่เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกับลูกสาวลูกอีกหลายคนก็จะมีอีกเยอะลูกจึงได้หันมามีธรรมะเป็นดิพึง่งทุกๆเช้าลูกก็จะทำบุญใส่บาตรทุกๆวันพระลูกก็จะเข้าวัดสวดมนต์รักษาศีลทำบุญทุบุญอย่างเต็มที่ตามประเพณีและก็มันอาิษฐานจิตอุทิศส่วนมุกสลถึงลูกสาวสเสมอทวันในชีวิตลูกจึงมีแต่บุญเท่านั้นเจ้าค่ะ ก็เป็นสิ่งที่ดีนะจ๊ะแต่ว่าไม่ควรจะได้แรงบันดาลใจจากการตายของลูกเราหรือสมาชิกในครอบครัวมันควรจะเกิดขึ้นในดวงปัญญาของตัวเราที่เราจะสั่งสมความดีงามทานศีลภาวนาเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันเลจ้ะพิจาณตรองรูปเป็นหัวหน้าสาธา ร, รณสุขอำเภอขาการาชการ47 มีอาทยาายอบอ้อมอารีช่วยพ่อแม่เลี้ยงดูน้องทุกๆคนเมื่อปลดกเกษียณแล้วทุกๆวันพระก็จะเข้าวัดรักษาศีลอยู่เสมอนี่อเมื่อต้องคอยปลดกเกษียณก็เข้าวัดได้เดี๋ยดีทั้งหนุ่มทั้งสาวก็เข้าวัดแล้วเยี่ยวดีหนุ่มสาวเลยมาดูวันอาทิตย์ทิษปารรมกายสากลอืมตัวเล็กๆมายืนเข้าแถวสองแถว ช่องขวบฉามขวบนี่หนึ่งชองฉา ม, มยังนับอยู่นะไม่เยนข้าแถวต้อรับครูไม่ใหญ่ทั้งซ้ายทางขวาเดี๋ยวนี้ระดับโลกก็ต้องเริ่ ม, มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วครูไม่อยากจะถามก็ว่าทำไมลูกเชื่อไหมถ้าคำถามนี้ถ้าครูไม่อยากไปถามผู้ใหญ่บางคนนี่นะตอบได้ไม่เหมือนเด็กหรอก แต่เด็กสองขวบสามขวบสี่ขวบสองข้างทางซ้ายขวายิงซ้ายชายขวาของครูไม่ใหญ่ตอบดีดีดีเกิดมาทำพระนิพพานไี่แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนี่ไม่จ้ฟังแล้วชื่นใจัหมชื่นใจนี่ไงแต่เด็กทุกคนในโลกโดยเฉพาะในเมืองไทยตอบได้อย่างนี้นะจ๊ะแล้วันโลกนี้สว่างแล้ว จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นจะไม่มีคนร้องทุกข์มิจจะจะร้องสุขเพราะว่าเกิดมาทำพระนิพพานแจ้งสแสวงบุญสร้างบรมีเพราะเร้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตการดำเนินชีวิตเพื่อจะไปสู่เป้าหมายนั้นก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นไอิสตา้าในก่อนจะตายนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ในยุคหนึ่งได้เ็เขียนบันทึกเอาไว้ครูมิจฉาอ่จะได้ไปอ่านเจอบอกว่าท่ามนุษย์ทุกคนในโลกรู้ว่าอะไรคือเป้าหมายชีวิตโลกก็จะเกิดสันทิขก็แปลว่าแม้แต่ออสตายก็ไปรู้ป่วยแล้วก็ตายไปเลยนี่ไงเราจะปล่อยให้ตายฟรีกันอย่างนี้หรือพราะฉะนั้นต้องปลูกฟังกันแต่แต่ยังยาว ช่องขวบชามขวบนี่เห็นไหมจ๊ะ <Okay. S 1> ต้องเล่ไดีดีเอ็มซีนี่แหล <Okay. S 1> พะพอเกิดมาก็ให้ดูเลย <Okay. S 1> ฟังไปศึกษาธรรมะไปแบบเบิดเบิดมีเพลงมีภาพมีพูดกรอกคูกัไไปทุกๆวันครูไม่ใหญ่เชื่อนะว่าขอให้เป็นคนตอนนั้นแหละ <Okay. S 1> ที่ไม่ใ บ, บ้บาปัญญาอ่อนนะเราสอนมงคลชีวิตได้เลย อักาศศาสชัยวัยน่ยสามขวแปดเดือนเนี่ยมงคลชีวิตนี่ท่องได้ชื่อสหั์ชัยไว้แต่เธอเป็นชาวฮ่องกงนะมันจะเราก็นึวกว่าคนไทยนี่แต่ว่ามงคลชีวิตนี่คล่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมดยุคแล้วก็เอ้ยก็ไก่เขาไข่ในแล้วมันต้องอสเสวนบาจาะพาลานั่ง อีตัมมังคัลมูตัมมังมันต้องอย่างนี้แล้วเปิดจุกฝันไม่ครบคนพานไม่ครอบตะ บ, บันดีเนี๋ยวพอเกิดมารอรู้ความเลยต้องสอนกันตั้งแต่นี้นนนแล้วก <c oughs> ็เอ้ยก็ไกใหม่แล้วควรจะไปแต่งกันใหม่แล้วใครทําหน้าที่ตรงนี้เลยจ้ะถ้าใครทําได้ดีถือว่าเป็นบุตรดวงตะวันสองทางชีวิตเลยที่ยิ่งกว่าดวงตะวันสองโลก เพราะดวงตะวันนะสว่างได้แค่กลางวั น, ก, นกลางคืนในมืดมิดไปส่องอีกสี่หนึ่งแต่ผู้ที่ให้ความรู้สอนผู้จะเกิดอมใหม่ดยการนำความรู้สากลออกมาจากบุคคลพิเศษคือพระบรมศาสดาสมมาสมบริเจา้า่สยทอดในกระเด็กตัวเล็กๆ ถึงแต่สอนเรื่อยมาเนี่ยชีวิตก็จะสว่างไสวยขึ้นมาเรื่อยๆในกระดาเดียวกันผู้ให้แสงสว่างก็เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีกับเขาถ้าอย่างนี้ได้เราก็จะได้เด็กเก่งและดีเกิดขึ้นอโลกใบนี้ก็จะเกิดสันนิสุขอย่างน้อยก็ครอบครัวสันนิสุครอบครัวอบอุ่นแล้ะขยายกันไปทั่วเลยนะจ๊ะ เมื่อปลอดกเกษียณแล้วทุกๆเป็นพระก็จะเข้าวัด ร, รักษาศีลอยู่เสม อ, อมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีพอเราก็เหนื่อยมาหกสิบปีแล้วพอหกสิบปีเสรก็เข้า ว, วัดฟังคำรักษาศีลก็ใช้ได้แต่ว่ามาเข้าตอนนี้นี่นะมันนั่งแล้วมันมุ้ยสวดมนต์ยังไม่ทันจบมันง่วงมันจะหลับซะก่อน นะโมเงียบไปเลยฮัลไห่หลับไปแล้วอ้ามันจะเป็นอย่างนั้นเ่ยหลับไปแล้วนี่ก็ลมันนั่งสมาธิก็นึกพักเดียวหลับครูปิใหญ่เนี่ยมักจะได้ยินเสียงลำเบิงนีดเสมอก็บอกแล้วไอตอนแข็งแรงก็ไม่ก่าวัดมาเข้าไอตอนจะหมดแรงแล้วอย่างนี้มันก็จะได้แบบคนหมดแรงกันแหละความภาคภูมิใจของวิชาอย่างหนึ่งคือ ป, ปีสองห้าสบแปดเเป็นประธานท่ากระถินวัดแถวบ้าอพิจารเสียชีวิตลงได้โรคถุงน้ําดีอุดตั น, นอายุได้หกสิบแปดปีนี่อย่างดีนะจ๊ะจะทําไงเราจะภาคภูมิใจได้ในหลายๆเรื่องแทนที่จะภาคภูมิใจเรื่องเป็นประธานท่ากระถินอย่างเดียวทีเดียวแค่นั้นเองมันต้องหลายๆที่ก่อนจะเปิดเสษียณนี่มันต้องเลิกละ ก่อนจะมาเป็นตาแก่ยายแก่เนะี่ยมีอะไรที่เรานึกแล้วเราจะปิติแล้วภากภูมิใจบ้างกิน เ, ลเหล้าหรือ mm hmm. เจ้าชู้หรือกินเหล้าเคง mm hmm. ข้ามวันข้ามคืนยังกินได้ mm hmm. เจ้าชู้แล้วอืม mm hmm. โปรยสเสน่ห์เยอะแยะเรื่องการบ้านละสูบบุหรี่เล้ อ, ร ห, ลอหรืออะไรแล้อเล้ออย่างนั้น เราก็ต้องนึกเอานะจ๊ะเพราะสักวันเราจะต้องเป็นตาแก่ยาแก่เนี่ยหลังจากลูประทเป็นทหารเกณฑ์ไปพบรักกับสาอุบลโอ้โหตั้งแต่นั้นมานี่มไม่เป็นทธรรมไ ม, ม่มีเป็นทําอะไรเลยคิดถึงคิดถึงคิดถึ ง, ถงเนี่ย อ, อุบลนั่นแหละพอโปร์ปร ะ, ประจําการแล้วก็ได้กลับมาเปิดปร้านอาหารแล้วก็จ้งบนจดนตรีที่จังหวัดกาฬสินธุ์ น้องชายมีทายาสัยรักพี่รักน้องรักครอบครัวชอบทำบุญตามประเพณีชอบเฉลือกิจการงานบุญบันเทิรักของเพื่อนฝูงเพราะความบันเทิรักที่เองจึงได้มีการเลี้ยงสังสรรค์บ่อยทําให้ได้ดื่มเหล้าอยู่เสมอน้อชายเสียชีวิตด้ยโรคถุงน้ําดีอุดตันวัยอายุได้ห้าสิบดปีจะดื่มเหล้านี่เราต้องศึกษาดูซิก่อน ดื่มไปทำไมดื่มแล้วได้อะไรผลจากการดื่มแล้วเป็นยังไงทั้งตัวเราเองครอบครัวสังคมสิ่งแวดล้อมทั้งในปรโลกลองคิ ด, ดื่มครบวงจรเลยม้วนเดียวให้มันจบไปเลยก่อนที่เราจะตัดสินใจมาดื่มเหล้านี่ต้องศึกษาแล้วะช มีความรู้นี้อยู่ในคำสอนของพระบรมศาสาดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าเราศึกษาให้ดีเออได้ดื่มแล้วเนี่ยได้เมาเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียผู้เสียคนมีปัญหาค็นทางมาเห่งโลกัยไข่เจ็บตายแล้วไปมหานรกอืมไป ด, ดื่มน้ำกรดสีดำร้อนแรงหรือไปยมโลกจะ ด, ดื่มน้ำทองแดงร้อน แล้วก็จะตั้งพ้นจากกา ร, รนันกับาตามลำดับมาเป็นเปรตเป็นอสุ ร, รกายเป็นสัตว์เรารกันประเภทที่อืมแถวน้ากุศิคู่วใหญ่เนี่ยเห็นยเยอะยเลยเดินมันจะมีลิ้นสองแฉกนะครบแลบทีหนึ่งป๊บๆมันว่ายน้ำได้ดำน้ำได้ปีนต้นไม้ก็ได้หรือแต่บินอย่างเดียวนะียวย่ยเยอะแยะเลย ประเภทอย่างนี้เพราะว่าเวลาเมาแล้วมันจะมีอากา ร, ใใรอีกคล้าย่างอาการอย่างไงก็อย่างนั้นแหละเราก็จะไปมันเป็นมนุษย์จะเป็นใบบ้าปัญญาอ่อนความทรงจําเสื่มอมอะไรต่างๆแล้วนี้เป็นต้องศึกษาให้มันครบวงจรพอศึกษาครบวงจรปั๊บอ่ะอ่ะแล้วแต่อาจจะตัดสินใหญ่แม้แต่ผู้ผลิตก็ดีโต้จําหน่ายก็ดีพูดที่จะซื้อมาดื่มก็ดีจะเลี้ยงสังสรรคก็ดี หรือเอาขวดไปไว้ตั้งที่บ้านก็นดีเนี่ยให้โชว์ไว้กราบไหวบูชานะต้องเพราะเป็นความภาคภูมิใจกับตัวมีไอ้น้ำประเภทนี้ขวดสวยๆอย่างงี้ <Yeah. S 1> ก็ต้องศึกษามันก็วงจรเราจะทําแล้วก็เอาเถอะส่วนพิสารลูกได้เรียนแค่ชั้นป .4 คุณพ่อแม่ก็ให้ออกมาทํานาขณะเดียวกันพิศาราก็ประกอบอาชีพอื่นเช่นเป็นช่างเสริมสวยอืทําขนมขายทำข้าวต้มขาย เปิส่งเสียวิจารณละกน้องให้ได้ดเรียนหนังสือจนสําเร็จการศึ ก, าศกษาเข้ารับราชการเกือบทุกคนพีจาาจึงเป็นดังพ่อและแม่คนที่2ของพี่ๆน้องๆในครอบครัวไปด้วยบมื่พิจาราลูกแต่งงานแล้วก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมราคาขายมีบุตรธิดาทั้งหมด6คนลูกสาวคนสดท้อง พ, iese, พิศาปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ในวัดค <Yeah. S 1> ่เตรียมตัวให้ดีเกตในห <c oughs> ลานสาวคนนี้ได้เป็นกัลยาณมิตกับครอบครัวและต่อรู่มมาโดยตลอด พระจัวในพิสาร์ตัวลูกมาร่วมงานบุญใหญ่หลายครั้งรงทั้งในขณะที่พิสาัวลูก ป, ป่วยเป็นมะเร็งปากบนลูกแม้จะไปเจ็บปวดมากก็ตามแต่พิสาร์ตมาร่วมงานบุญใหญ่หลายๆงานเช่นพิธีหลาบลับบ ร, รมาพุทธเจ้าพิธีหล่อรูปเหมือนนางคำวัญญาจาร์พิธีต่อเสกเข็มสร้างอางคารมหาวิหารพระมะคคตเทรบุณีเป็นต้นแต่ว่าที่พิสารจะเสียชีวิตหลานสาวกระดิบเปิดเทพเสียงหลวงพ่อและคอยบอกให้แมงเขานึกถึงบุญทั้ บ, ทบุญที่ได้ทํากับวัดพระธรรมกาย คิดถึงมหาปุจญญาจารย์คิดถึงงานบุญใหญท่ทุกๆงานจะได้มาร่วมจนแม่พิสสาวลูกได้เสียชีวิตลงแต่เมยังกจำแน่นอยู่ในช่วงแลกทีพิสสาเสียชีวิตมักจะมีคนฝันถึงอยู่เสมอโดยเฉพาะเล็กขยของลูกฝันว่าพีสสาวลูกได้มาหาเล็กเขยอเอชิญขับรถพาไปวัดพระธรรมกายด้วยพี่เขยขอลกไปพี่เคยงลูกเป็นคนที่มีความรับผิดชอบชอบใส่บาตรทุกเช้าชอบทำบุญตามประเพณี ก้เฉลยญามิตรสหายที่เคยป่วยเป็นโรคไตาวายเรือหลังแต่ไม่ยอมฟอกไตเพราะมีความตั้งใจจะเก็บเงินไปทำบุญเป็นประธานกรถิ่นที่วัดใกล้บ้านและไม่ว่าใครแต่ใครก็ตามมาพูดให้พี่เคยฟอกไตพี่เคยก็ไม่ยอมบอกแต่เพียงว่าฟอกก็ตายไม่ฟอกก็ตายไม่ฟอกดีกว่าพี่เคยบอกกระถินนี้พี่สาลูกตั้งใจจะทำแต่กรรมาตายเสียก่อนพอตัวพี่เคยจะทําก็จะตายอีก ทำไมทำยากอย่างนี้นี่อะไรอย่างจะเรื่องของบุญนี่เราต้องรีบทำทันทีจะไปรอคอยเวลาเลยรอช้าไม่ได้จ้ะพี่ขงลูกเดี๋ยวทนต่อสู้กับโรครายนั้นจนการดีขึ้นกินข้าวได้วัวละได้ยิ้มแย้มได้เบิกบานได้เหมือนปาฏิหาริย์เลยกัี่กงดีใจมากที่จะอยู่ถึงวันทอดกรถิ่งของวัดที่บ้านแล้วก็ได้ไปปากทง กถินด้วยตนเองสิ่งกำหนด ก, การวัน่อกรกทินกืวันที่ยี่สิบหนึ่งถึง22บสองตุลาคมแต่ละวพี่เขาก็ไม่สามารถอยู่ได้ถึงวันทอตกถินเพราะได้เสียชีวิตลงก่อนหน้าวัน่อกรกทินหนึ่งเดือนขณะอ า, า, า, ายุได้ห3สบสามปีโอ้ยย่องครูไม่ใหญ่ก็สองรอสาวปีเมษานี่ก็จะห3สามมันกันนะลูกหล า, ลานและณะญ า, ศ า, ศาติทุกคนได้ เริ่มแรงร่วมใจกันสารต่อเจียดจำนองกับพิเขยลในการเป็นประธานกฐินทนี่วัดกลบ้านจาสนสําเร็จลุล่งเรืดีเราจินี้หลานสาและพี่ๆน้องๆนันนกสร้างบารมีก็ได้รวมบูญกันทําบนหน2ป่ปีพระมงกุฎเทวีในนามของพิเขยจันทีอีกหนึ<า>่งหมื่นบาทแล้วก็ยังมีปัจจัยมาร่วมบูญกองกฐินวัดประธานมการในนามพี่เคิลวิสาขด้วยเจ้าค่ะคำถามเป็นเพราะบุญกรรมใดลูกสาวโและเล ข, ขาถึงได้ถู่บังคับเอาตัวไป ผู้ชายสามคนนั้นมีวิบากกรรมอโศกอกกันมาอย่างไรจุดเริ่มต้นกับวิบากกรรมนี้เกิดเมื่อไร่ทําอย่างไรถึงจะตัดวงจรวิบากกรรมนี้ได้ลูกสาว ล, ลูกแลี้ยขา ย, ยัางมีชีวิตอยู่หรือไม่ถ้าเสียชีวิตแล้วชีวิตหลังความตายของเขาเป็นอย่างไรทําไมลูกไม่จะฝันถึงเขา บ, าบา่อยๆและบุญทางตางที่ลูกทําให้ลูกสาวเจริสร้างพระทําการจําตัวแต่ใช้ลูกสาวอย่างไรบ้างคะ ลูกสาวมีข้อความใดฝากมาใหมคะแลดีเราเคยเกิดมาเป็นแม่ลูกกันหรือเปล่าคะลูกชายคนที่สี่ที่จมน้ําตายตายแล้วไปไหนคะเตรัสร บ, บนที่ลูกทิศส่วนกัสบสไปบ้างหรือเปล่าคะพี่ชายคนโตและน้องชายลูกมีวิบากกรรมอะไรจึงเสียชีวิตจะรอกถุงน้ําดีอุดตันเหมือนกันพี่ชายคนโตและน้องชายตายแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้อยู่ที่ไหนเตรัสร บ, บนที่ยอดเยี่ยมทิศส่วนกัสบสไปบ้าง หรือเปล่าคะแล้วบนที่พิจารณาเป็นประธานทางการถึงวัดใกล้บ้านส่งผลให้เป็นอย่างไรฝากข้อความอะไรมาถึงบ้างหรือเปล่าคะบุ ป, รปรกรรมทายพิสายัางเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วใกล้จะหมดกรรมหรือยังคะพิสาลูกตายแล้วไปไหนคะทำไมยังกรรมมือแนะ่นังั้งที่ตายไปแล้วชีวิตหลังความตายพิสาเ ป, เป็นอย่างไรบ้างเออคนตายมักจะแบมือนะอนี้ยังกรรมมือมีคนฝันเห็นพิศาบ่อย พิสาได้มาเข้าฝันจริงหรือไม่แล้วเด็กเกิดใหม่ถึงกรรมมือนะคนตายมักจะแบ่มืออทนนี้ตายขับกรรมมืออืมบุพกรรมในพิเคยจะเป็นโรคายวายเรือหลังแล้วไม่ยอมฟอ ก, กนใจกรรมนายมาตัดรอนในพิเขยเสียชีวิตก่อนถึงวันทอดกระถิ่นพิเขยตายแล้วไปไหนคะชีวิตหลังความตายพิเคยเป็นอย่างไรบ้างหลังตายแล้วไปเยี่ยมลุกสาที่เป็นเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายหรือไม่อ๋อ เป็นคุณพ่อของลูกพระธรรมเนาะฝากอะไรมาถึงลูกๆหลานๆหรือเปล่าคะความตั้งใจที่พี่เคยเก็บปัจจัยจากการที่ตั้งไปฟอกไตไว้จำบุญเป็นประธานท่ากติณีวัดใกล้บ้านส่งผลได้พี่เคยอย่างไรและเมื่อเลิกลูกและหมู่ญาช่วยกันสารต่อจนสําเร็จส่งผลให้อย่างไรคะวุฒิหลานสาวที่ชีวิตบรรสรบรรมีในวัด รวมถึงบุญทุกบุญที่หลานสาวทิพย์ไปให้กับพี่สาวและพี่เขยทําให้ทั้งสองเลื่อนสู่พรภูมิที่ดีได้ไมคะหลาสาวตั้งใจจะสร้างใจดีเพื่อบรรจุกระดูกของพี่สาวและพี่เขยให้ลูกหลานได้มากราบไหว้นั้นจะมีอานิสงส์ผลบุญอย่างไรบ้างหรือไม่คะหลานชายลูกที่เป็นลูกของน้องชายคนที่ตายหลานชายลูกจะเป็นลูกของน้องชายคนที่ตายครั้งหนึ่งเคยบดหน้าไฟแล้วไม่ยอมลาสิกขา จนพ่อแม่เขาต้องมาขอร้องและร้องไห้ให้อบไปเรียนหนังสือจึงยอมลาศิกขาค่ะทำให้หลานจึงอยากบวชเป็เพราะหลานชายเคยบวชและสร้างบุญมากับหมู่คณะไหมคะในดีตัวลูกพี่สาวพี่เคยเคยสร้างบารมีมากระหลงพ่อของครูไม่ใหญ่หรือไม่คะลูกพิผลการปฏิบัติทำอย่างไรเคยสร้างบารมีเกี่ยวขกับกระดาษสามอย่างไรหลานสาวเคยเกิดเป็นหลานและลูกของพี่สาวและพี่เคยเหมือนในชาตินี้ หรือไม่คะจำะเรื่องราวคำถามได้ัหมจ๊ะจำได้ครับลับตาฝันเป็นดวิตาเตินขึ้ น, นมาถามหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัม b รากันจ๊ะลูกสางลูกเล็เลขาถูกบังคับเอาตัวไปแล้วกำเนดิดชาติหนึ่งทั้งสองคนได้เป็นผู้ชาย ทลูกสาและเลขาจ๊าะแล่ททำธุรกิจการค้ามากมายหลายอย่างแต่เป็เลขาคนนี้ก็เด็ดเป็นเลขาในชาตินั้นด้วยแต่งแต่ว่าเป็นผู้ชาย<ะ>กรรจะชูก็ะปามห้เป็นผู้หญิงทั้งคู่ครั้งหนึ่งเลขาได้นำเสนอให้จ่านักเพลงไปลักพาตัวคู่แข่งทางการค้าไปข่าทิ้ง<ะ>ได้ไม่ให้เห็นหลักฐานเพื่อจะกำจัดคู่แข่งอิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้า ใช่สามคนนี้ก็คืออดีตคู่แข่งทางการค้าในชาตินั้นจักจุดเริ่มต้นของวิบากกรรมนี้ก็มาจากสาเหตุกรรมในอดีตทั้งกล่าวนั่นแหละส่วนในปัจจุบันก็เกิดจากการขัดแย้งผลประโยชน์เรื่องการกั่นเหล้าน่ยจะักหลั่นเหล้ามันน่าจะเปลี่ยนจากเหล้านี่น้ำเมาเนี่ยมาเป็นน้ำมันดีกว่าจะตัดวงจรวิบากกรรมนี้ตัวเขาทั้งสองต้อง แก้ดยตนเองจ้ะถึงจะตัดวงจรวิบากกรรมนี้ได้คนอื่นไปทําแทนให้ไม่ได้ลูกสาวลูกลเล็กขาได้ตายไปแล้วจ้ะตายแล้วด้ใจที่เศร้าหมองเพราะความโกรธแค้นคนที่มาสทำร้ายระรณกรรมที่สร้างร้องกลั่นสุราจึงนําพาให้ไปสู่มหานรกคุมห้ากำลังโดนนานนิริวัจจิกหัวขึ้นมาจากบอ่อที่เต็มไปด้วยน้ํากรดสีดําร้อนแหรง จนทั้งคู่อาเจียนออกมาจนท่วมตัวคือทั้งคู่อยู่ในหลุมนั่นเจ้ะแล้วก็อาเจียนออกมาอาเจียนน้ำกรดสีดาร้อนแรงออกมาออกมามากจนกระทั่งท่วมหลุมท่วมตัวตัวก็สะเกียกจะ ก, กายเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันก็โดนจิกหัวแล้วก็เอากระ buoy ตักน้ากรดทั้งกรอกใส่ปากั้งคู่จนตายอยู่บนฝั่งนั้น แล้วก็จับโจนลงไปแล้ก็ไปในบอ่อซ้ําๆักๆทุกทรมานมากคือตะเกียร์ตะกาจากในหลุมเนี่ยมัาข้างๆ ข, ข, ขอบกระโดนจิกหัวขึ้นมาอาตักน้ํากระบวยตักน้ํากรดในในบอ่อนั้นในกรบ ใ, ในคุมนั้นเนี่ยใส่ผ่าก็โยนลงไปใหม่ใต้เกิดใต้เกิดอย่างเงี้ยแหลกแล้วแตป๋วกันไม่อาจจะรับบุญได้จ่าเพราะอยู่ในมหานรกแต่บุญที่ทําอุทิศไปให้ก็ไปคอยอยู่ที่เยมโลกต้องพ้นจากมหานรกก่อนมาที่โยมโลกถึงจะได้รับ ในอดีก็เคยเกิดเป็นแม่ลูกกันจ้ะนี่มาเกิดเป็นแม่ลูกกันตายแล้วไม่แน่ต่างคนต่างไปลูกชายคนที่สี่จมน้ําตายเพราะกรรมในอดีตตายเป็นเด็กดเล่นๆกับเพื่อนด้วยความคันนองในปากแกล้งเพื่อนตกลงไปในน้ําไหลเชี่ยวจนจมน้ําตายเอาะว่าน้ําไม่เป็นมาส่งผลจ้ะดูเห็นไหมจะรออภักรรมมากดแห่งการกระทำทางกายวาจาใจ ไม่ยกเว้นแม่ติดเด็กอ c e n t เซนไลดิงสนนนนยา i อ n น c e n t นในผู้ใหญ่คิดเองว่าเองเห็นเด็กๆแต่วิบากกรรมไม่เลยไม่ได้ยางงั้นผู้ออกแบบกดแห่งกรรมไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่ผู้มีอนุภาพมากแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไปเห็นม า, มาตัวท่านเองก็โดนเหมือนกันจึงสั่งสมบารมีเพื่อให้หลุดพ้นจากวิบากกรรมจากกดแห่งกรรมเนี่ย เมือ่อขจะดกิเลสอสวะหมดสิ้นไปได้แล้วเนี่ยการกระทําไม่มีวิบากก็ไม่มีรุดพ้นไปได้แล้วถ้ากรรมนำมาถ่ายทอดมาสอนไหมเจ้าว่าอินโนเซนต์เั้นไม่เกี่ยวเป็นเรื่องมนุษย์คิดเองแต่วิบากกรรมทําอะไรก็ได้อย่างนั้นตายแล้วก็จะไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วและยังไม่ได้ตกน้ําตายตอนนี้ยังไม่ได้ตกน้ําตายเพราะเพราะเพราะเพราะกรรมเบาบางลงแล้ว oh. อ แต่ก็เป็นอย่างนี้มาหลายชาติแล้วจ้ะตาเกิดตาเกิดแล้วก็<บ>อืมตกน้ําตายแต่ตอนนี้การบาปลงไปแล้วล<บ>จิงยังไม่ตายยังไม่ตกน้ําตายไม่อาจรับบุญได้เพราะเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่มีข้อความใดฝากมาถึงแจะพี่ชายคนโตนแล้วน้องชายลูกเสียชีวิต ด, ด้วยรอคถุงน้ําดีอุดตันเหมือนกันถ้าน้ําดีนะถ้าน้ำเสียนี่นักเขาไปอีก น, อน้ําเมาเงี่ย นั่นดียังอุดตันน้มมาเมานี่เป็นน้าเสีย น, นี่ตักนกว่านี้เพราะในีดีทั้งคู่ก็เป็นพี่น้องกันดนเกิดในสังคมเกษตรกรรมที่จาง ก, กันตัวและน้องชายแต่เลี้ยงสัตว์ด้วยค่าขายและค่าเป็นอาหารเป็นประจำนี่ปาณาติบาตมนุษย์คิดเองว่าสัตว์เกิดมาเอาไว้ให้ข่าไอ้ขายต่ำไปกินละขาดโปรโตี น, นเนลิงตาและกว่าไปนี่ขาดขายมันขาดโปรโตีนต้องขาดต่างกินแต่ เราอ้อกกรรมมาไม่เวทเ<ด>ห็นไหมจ๊ะแลสัตว์ก็ไม่ได้คิดว่ามันเกิดมาให้มนุษย์ฆ่าถ้าสัตว์มันคิดว่ามนุษย์เกิดมาให้มันกินมึงอะไรมันจะเกิดขึ้นเห็ใในไหมจ๊ะทั้งผู้ชายตัวละน้องชาย ท, ทั้งคู่วินิสัยเวลาโกรธมักจะมีอารมณ์รุนแงรงในชาตินั้นนะโกรธกันแล้วมักจะโกรธแล้วโกรธเลยไม่ให้อภัยในชาติจะเกิดในสังคมเกษตรกรรม ที่เรียนศาส์วิาขายและค่าเป็นอาหารคือโกรธและโกรธเลยไม่แห่ไพแถมบางครั้งยังผูกพยาบาทไม่ปลื้มแล้วก็ไม่จบจึงทำให้ชาตินีอายุสั้นตายก่อนวัยอันสมควรด้วยโรคดังกล่าวใช่ไหมจ๊ะทุงน้ำดีนี้เราเรียนมาหลายแค่จะเกิดจากกรรมมกรักโกรธโกรธและโกรธเลยเนี่ยดียากเนี่ย ให้อภั ย, ย, ยแยกนี่แหละน้านดีเลยกลายเป็นน้านเสียอุดตันตายแล้วพิจารณาโตก็ได้ไปเป็นเทพบุตรสุดรอมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสามด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือผู้อื่นจ้าส่วนน้องชายก็ไปเป็นภู ม, มิมเทวาสายพยานะ<ม>ด้วยบุญที่ทำตามประเพณีและมีกรรมดื่มสุรา<ม>เป็นบุญปลบาป ท่านผู้รับบุญทีที่ไปให้แล้วก็มีสภาพที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ดีขึ้นในทุกด้านจ้ะพี่ชายคนโตก็มีที่พิจารสมบัติเพิ่มขึ้นนีพิจารณาากนี่ก็มีอาหารที่มีอะไรหล่อเหลาเอาการดีขึ้นกว่าเดิมมีที่อยู่ที่อาศัยทัานผู้ก็ดีใจที่ทำบุญที่ไปให้แล้วได้ฝากอันโมโนธนาขอบคุณมาจ้ะเออเป็นพี่เป็นน้องกันตายแล้วน่าจะไปอยู่ด้วยกันนะแต่พี่ไปทางน้องไปทาง พิสาเป็นมะเร็งปากมดลูกเพราะกรรมในอดีตแต่เลี้ยงสัตว์ส่งให้เขาข้าและฆ่าสัตว์ทำอมหารบริวารกรรมกาเมเจ้าชู้ในอดีตประสง์ผลจ้ะนี่กรรมกาเมเจ้าชู้ไอมาเป็นผู้หญิงแล้วก็มาจะมาเป็นเกี่ยเรื่องมดลูกเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้มะเร็งที่ตรงนี้ก็เพราะข่าส่งเลี้ยงสัตว์ให้เขาข่าปฏิบาตินี่มาสงผล ตายแล้วก็ยังวนเวียนอยู่จึงทำให้คนฝันเห็นปฏิกรรมมือนั่นทั้งทั้ติดแต่แลเพราะยังห่วงกังวลเรื่องครอบครัวในช่วงแรกแต่ว่าเมื่อได้รับบุญที่ลูกสาวติดไปให้อย่างสม่าเสมอจึง ท, ทำให้ไปเกิดใหม่เป็นเทพธิดาสุดสวยสายคนทันชั้นจตุมหาไรการะดับชั้นดีจ้ะนี่เป็นเทพธิดาสุดสวยสายคนทันกาลังไปร้องรานาเพลงเหมือนอย่างเมื่อกี้นี่ อีกเคยเป็นโรคไตาวายเรื้อรังแล้วไม่ยอมฟอกไตเพราะโรคายเราเรียนมาแล้วนะจ๊ะหลายเคสกรรมในอดีตชอบปล่อยเงินกู้ดอกโหดจึงทําให้ไตาวายเรื้อรังมารวมกับรรมปานาดิบาลฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าขายมาส่งผลจ้าส่วนไม่ยอมฟอกไตเพราะจิตเป็นกุศลต้องการเก็บเงินเอาไว้ทําบุญจ้าตายแล้วได้จิตที่เป็นกุศลทําบุญและทําบุญอย่างสมองเสมอตามประเพณี พระอั้งหมในช่วงท้ายของชีวิตจึงหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้นดาวไปดึงเฟสสองอนี่ไปเป็นเทพบุตรสุดล่ อ, อ ม, มีวิมานทองชั้นดาวไปดึงเฟสสองไม่ได้ไปเข้าฝันใครเลยใครเลยเลจ้ะแล้วก็ไม่ได้มาเยี่ยมลูกสาวที่เป็นเจ้าหน้าที่วัดด้วยจ้ะตอนนี้กําลังตื่นเต้นกับทิพย์ยสมบัติกำลังศึกษาสังคมใหม่แล้วก็ได้ฟานุโมทนาขอบคุณทุกคนที่ทําบุญทิพย์ไปให้จ้ะ พี่เขเก็บประจัยที่จะต้องนําไปเสียค่าใช้จ่ายในการฟอกไตมาทําบุญเป็นประทานกรถินวัดใกล้บ้านก็ส่งผลให้ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีมูลค่ทองชั้นดาวเดึงเฟศสองดังที่ได้กล่าวมาแล้วจ้าบุญที่หลานสาวที่ชีวิตมาสร้างบารมีที่วัดเราถึงบุญทุกบุญที่อุทิศให้พี่สาหรือพี่เขยนั้นพ่อแม่ของนั้นทั้งคู่ก็ได้รับบุญแล้วก็มีสภาพความมันอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆด้านขึ้นไปอีกจ้าแต่ก็ไม่ได้เลื่อนพบภูมิสูงขึ้น ยังอยู่พบภูมิเดิมแต่ว่ามีที่ปยสมบัติเพิ่มขึ้นหลานสาวตั้งใจสร้างเจดียว์ไว้บัรจุอธิให้พี่สารและพี่เขยไว้ลูกหลานมากราบไหบูชานั้นจะมีอันนี้สองโดยย่อคือจะมีลูกหลานที่มีความกระตันอยู่กระตะเวทีลูกหลานก็จะอยู่ในอุวาสคราบกุโกรก็สามัคคีเกื้อกูลกันเป็นต้นจ้ะแต่ก็สู้เอามาทำบุญในพระพุทธศาสนาและอุทิศไปให้ไม่ได้จ้ะเพราะผู้ตายจะได้โดยตรง จะได้โดยตรงจ้ะส่วนที่สร้างเจดีบรรจุอัติก็ได้แคบเป็นกุศโ ล, โลโบายทางอ้อมทีจะให้ลูกหลานไปกราบไว้อัติและถียโอกาสไปทําบุญกับวัดนั้นแหละจ้ะสำคัญคือต้องปลูกฝังลูกหลานให้เป็นนักสร้างบารมีและมนุษย์ที่บุญไปให้ท่านจึงจะถูกหลักวิชาจ้ะหลานชายลูกจะเป็นลูกของน้องชายคนที่ตายครั้งหนึ่งเคยบวชหน้าไฟแล้วไม่ยอมลาสิกขาจนพ่อแม่ต้องมาขอร้องและร้องไห้ให้ไปเรียนหนังสือจะทําให้หลานชายยอมลาสิกขานั้น กราะรลานชามีผังบวชช่วงยาวทั้งทั่วไปและกับหมู่คณะด้วยเนี่ยติดตัวมาจ้าตัวลกพีสาวิเคยเคยสร้างบรมีกับหมู่คณะมาแบบกองสเสบียงประเภทตามอารมณ์มีอารมณ์ก็ทําให้มีอารมณ์ก็ไปทําแต่บางชาติจะเจอหมู่คณะบางชาติก็ไม่เจอกันถ้าอยากจะเจอกันไปทุกชาติก็ต้องสร้างบรมีให้ยิ่งไปกว่านี้เล่าติฐานจิตให้ดีจ้าผลการปฏิบัติธรรมตัวลูกก็ทําบ้างไม่ทาบ้าง นั่งบ้างไม่นั่งบ้างจึงนิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างชัดบ้างไม่ชัดบา้างใช้บ้างไม่ใช้บ้ า, บางสว่างบ้างไม่สว่างบ้างดังนั้นชาตินี้จึงต้องดังใจงในการปฏิบัติทําให้ดียิ่งขึ้นอย่างสมองเสมอจ้าหลนสาวเคยเป็นกตัญญูกับทุกคนในครอบครัวจ้าในชาติเก่ๆก็ไม่ได้เคยเกิดเป็นหลานลูกหรือลูกของพี่สาวพี่เขยจ้าไม่ใช่พ่อแม่คนนี้แต่ชาติเก่ๆเคยมีบ้างจ้า แต่ว่า ม, ม่ถามต่อก็ไม่ตอบจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบริมีตเต็มที่ในทุกบุญไอ้ฐานจิตตาติดไปดูสิบรีวงบุญพิเศษเขตวัลลรามโพริศเจ ด, ด, ด, ดีพลัดกันเลยจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสัตี์สั้นๆ ส, ส, สำหรับคืนนี้